บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปเรื่องขันอันเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานที่ท่านเรียกว่าอุปาทา น, นขันอันกล่าวโดยสรุปก็คือชีวิตของบุคคลแต่ละคนนั้นอยู่ในกลุ่มของทุกศัสต ร, ร์ที่ ทรงสอนให้บุคคลศึกษาหาความจริงที่เรียกว่ายะถาภูตะคือเป็นอย่างไรก็ให้รู้ตามความจริงเหล่านั้นบาลีท่านจะใช้คำว่ายถาภูตังประชานาจิตไปรู้ทั่วซึ่งรู้เห็นตามความเป็นจริง หมายความมาโดยเนื้อหาสภาวะที่แท้จริงของขันเป็นอย่างไรเราก็รู้เห็นตามความเป็นจริงเแ่านั้นแต่เนื่องจากจิตใจของบุคคลถูกขอหุ้มไว้ด้วยอวิชาแต่กิ่งกานสาขาออกมาเป็นโลภะโทสะโมหะอย่างที่ทราบกันทําให้ความเข้าใจขันแม้แต่จะเกาะกลุ่มกันเข้าเป็นชีวิตจริงๆ มีลักษณะที่เรียกว่าวิปลาสคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงจึงก่อให้เกิดตัณหามาณาทิจิขึ้นในลักษณะต่างๆอย่าบ้างกลางบ้างละเอียดบ้างซึงบางครั้งท่านใช้คำว่าอาหางการกับมามังการคือมีความรู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วก็สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของเราเป็นตนลักษณะของความรู้สึกเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ถูกปรุงมาจากอาวิชาหรือความมืดบอดที่ไม่รู้เหตุผลต่อความเป็นจริงทําให้สิ่งที่รู้เห็นเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันจึงคลาดเคลื่อนไปจากหลักความเป็นจริงใหญ่ๆอยู่สี่ประการด้วยกันและเป็นความรู้สึกที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันออกไปอย่างที่เคยกล่าวไว้ในบวันก่อนว่า ท่นแ บ, บ่งเป็นความรู้สึกไว้3มระดับระดับหนึ่งเป็นสัญญาคือการจำหมายระดับที่สองเป็นเรื่องของความคิดระดับที่สเป็นเรื่องของความเห็นในเรื่องเดียวกันนั่นเองซึ่งจะเห็นได้ว่าถ้าอยู่ระดับจำหมายเมื่อมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมจะเกิดความรู้ความเข้าใจและสลายการทรงจำลักษณะนั้นออกไปได้ แต่อยู่ในระดับของความคิดจิตใจแล้วก็ต้องใช้โอกาสใช้เวลานานใช้เงื่อนไขใช้ข้อมูลในด้านต่างๆบอกกล่าวให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นจึงสามารถถ่ายทอนความรู้สึกตนนั้นได้แต่ถ้าอยู่ในระดับทิฏฐิถ้าหากว่าเข้มข้นจริงๆแล้วมันก็อยู่ในจุดที่แก้ไม่ได้แต่ว่าทิฏฐิบางระดับก็แก้ได้ ดัง น, นั้นทิฏฐิท่านจึงจะแนกไว้เป็น2ระดับสํานวนบารีท่านใช้คําว่าสักขาวรและมักขาวรหมายความว่าเป็นความคิดเห็นที่ขนาดห้ามทั้งสวรรค์ห้ามทั้งนิพพานคือไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาจิตใจให้เข้าสู่สวรรค์หรือบรนลุกมะขุนนิพพานได้เพราะว่าเป็นความเหตที่ปักใจฝังใจลงไปในลักษณะนั้นไม่ยอมเปลี่ยนแปลง แต่ความเห็นบางระดับไม่ถึงกับห้ามสวรรค์หมายความมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้ดันประพฤติปฏิบัติในสีวิรรมจรญยาจนบรรลุคุณสมบัติเบื้องสูงขึ้นไปได้แต่ก็เป็นมัขาวรคือห้ามมผลนผนิพพานตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าการจะบรรลุมกผนนิพพานนั้นต้องตัดสั ก, กายทิฐิเป็นเบื้องต้นออกไปอันเป็นคุณสมบัติของพระโสดาบัน ทีนี้ถ้ายังมีสักกายทิฏฐิ อ, อยู่จิตใจก็ไม่อาจที่จะรู้ธรรมตามความเป็นจริงได้ลักษณะความคิดเห็นในแนวนี้ท่านจึงเรียกว่าเป็นวิปะลาคือคลดเคลื่อนจากความเป็นจริงจิตแท้จริงหมายความว่าความเป็นจริงที่แท้จริงนั้นมีลักษณะอีกอย่างหนึ่งแต่เรามองเหตุอีกด้านหนึ่งก็เป็นลักษณะก า, ารมองตรงกันข้ามกับความจริง อยู่ไม่ใช่มองข้างๆแต่มองด้านตรงกันข้ามไปเลยนั่นคือการมองเห็นสิ่งที่ไม่สวยไม่งามว่าเป็นของที่สวยงามซึ่งอาจจะเป็นระดับความทรงจาระดับความคิดระดับความเห็นนั่นกล่าวแล้วกวนี่เป็สังเกตว่ากรรมาฐานที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้นั้นบางอย่างเป็นเรื่องยาก ตัวอย่างใจให้เบื่อหน่ายคลายกำหนัดในอารมณ์ที่ใจตนไปกำหนดว่าสวยงามได้อย่างที่ทรงเรียงไว้ในมหาสติปัฏฐานในสูตรเป็นการสอนจากความรู้สึกนึกคิดของคนจากหยาบกลางในละเอียดไปแต่เป็นความรู้สึกสามัญธรรมดาขนาดเจริญอนาปานสติโือการตั้งสติระลึกรู้อยู่ที่ลม หายใจเข้าออกที่เรียบบททั้ง4หรือว่ารู้เรียบบททั้งหลายก็สามารถที่ทําใจสงบได้แล้วสามารถบรรเทาความกําหนัดความเพลิเพลินความยึดติดในอารมณ์ทั้งหลายได้พอใจที่สงบนั้นจะเป็นปฏิบัติต่อการมะฉันคือจะถ่ายทอนความรู้สึกในแนวการมะฉัน์ออกไปได้แต่ใจิตใจบางประเภทเป็นความยึดติดบางระดับที่มีความเข้มข้นก็สูงกว่านั้น ก็ทรงสอนกรรมฐานในลักษณะที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นคล้ายๆกับการชำละสิ่งเหล่านั้นออกมาดูเพื่อเกิดความรู้ความเห็นด้วยตาเนื้อและด้วยตาใจาพร้อมๆกันว่าตัวนี้จะเป็นที่เกาะกลุ่มประชุมกันของสิ่งปฏิกูลทั้งหลายแยกร่างกายเป็นธาตุสแยกร่างกายเป็นการ32สอง มีบางคนเลือกฝันนางเป็นต้นอย่างที่ทราบกันแต่ต่อมาคนบางคนมันก็ไปเอามากไม่ยอมรับกฎเกณฑ์เงื่อนไขของความจริงที่เป็นจริงก็ต้องไปเรียนจากซากศพในป่าชา้าแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วเราสังเกตว่าเป็นการศึกษาให้เห็นความไม่สวยงามแห่งร่างกายตนและกายบุคคนอื่น ซึ่งเป็นที่ตั้งของตันหาว่าของเราของเราหรือมานะว่าเป็นเราเป็นเราหรือเป็นตัวตนของเรานั้นแท้ที่จริงแล้วไม่เป็นของปฏิกูลเป็นที่ประชุมของโรคทั้งหลายที่ท่านเรียกว่าปูติไกยโยคือกายเน่าบางังเป็นรังของโรคบงังจะต้องเปิดเน่าผูกพังไปเป็นต้นบงังวันนี้ท่านสาธาชนทั้งหลายคงนึกถึงเรื่อง ของวิสูรรูปหนึ่งที่ไปหลงไหลายครั่งไคล้ในรูปร่างของนางสิริมาซึ่งเป็นนัราโสดาบีตอนนั้นอายุท่านก็มากแล้วด้วยแต่ท่านก็กาลังป่วยด้วยแต่พระใจที่กําหนดโดยอำนาจความกําหนัดอย่างไม่ยอมผ่อนคลายในช่วงนี้ท่านป่วยก็ไม่สามารถจะสอนอะไรท่านได้ ก็ต้องอาศัยศพนางสิริมาซึ่งพองขึ้นอืดมีกลิ่นเหมน็นมีน้ำเหลืองไหลมีตัวนอนออกมามีเป็นแรงวันตอมแล้วเอามาเป็นครูสอนวิกษุรูใดๆเพราะนลักษณะอารมณ์ของกรรมาฐานถ้าเราลองสังเกตได้ดีจะพบว่าเป็นการคล้อยตามพื้นฐานจริตตัติยาัสของคน ซึงแม้จะปักใจขวางใจในเรื่องเดียวกันนั่นเองแต่ว่าก็มีหยาบกลางละเอียดแตกต่างกันกรรมฐานข้อหนึ่งมันก็เหมาะสำหรับคนระดับหนึ่งแต่ปรากฏว่าพกคนมีความเข้มข้นไปอีกระดับหนึ่งเกิดมองไม่เห็นในจุดนั้นมันก็เปลี่ยนจุดอื่นแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือสํารองความกําหนัดความยึดติดความพอใจในกายตนและกายบุคคลดืนลงไป การนี้จึงกลายเป็นที่อาศัยที่ทนเรียกว่าเป็นสิริยน์คือเหมือนกับยานภานะเป็นที่อาศัยเพือจะนําเราไปสู่สถานที่ที่เราต้องการการศึกษาทมปฏิบัติธรรมนั้นจะต้องอาศัยร่างกายแต่ว่างกายนั้นก็เป็นที่อาศัยจริงๆเพราะว่าไม่สามารถที่จะดํารงอยู่ตลอดไปจะต้องแตกทำลายไป เป็นการปลุกเราเป็นการกระตุ้นเตือนให้บุคคลได้สนับถึงกายซึ่งจะต้องแตกตับในขณะเดียวกันตัวเองก็ประกอบด้วยสิ่งปฏิคูลต่างๆเพื่อจะให้บุคคลสามารถดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาททั้งในวัยทั้งในชีวิตและในความไม่มีโรคแต่ในขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะอาศัยกาย เสริมสร้างบุญกุศลหรือพัฒนาจิตใจของตัวนั้นมีความสงบประนีตขึ้นตามกำลังแห่งกา ร, รปฏิบัติความเห็นที่วิปลาสคลัดเคลื่อนไปอีกวิธีหนึ่งก็คือการตั้งหานั้นไม่มีอะไรเทื่องแท้แน่นอนแต่เราดูที่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อย่อยออกมา เราเห็นว่าตัวที่อยู่นานกว่าเกลื่อนก็คือรูปตัวเวทนาก็อยู่ไม่นานสัญญาเองก็อาจจะนานกว่าเวทนาหน่อยด้วยความทรงจำแต่ก็อยู่ไม่ได้นานสังขารนั้นเกิดดับเร็วมากลักษณะจิตใจของคนเราแปรผันไปโดยการปรุงแต่งของอารมณ์ทั้งหลาย บางครั้งเป็นกุศลบางครั้งเป็นอกุศลสลับปนคระ ก, กันไปบางครั้งก็เป็นกุศลในประเภทต่างๆต่อเนื่องกันไปได้หลายนาทีได้หลายชั่วโมงไอ้หลายๆชั่วโมงก็ทําได้ยากส่วนมากก็หลายๆนาทีแต่บางทีก็ตกคราบอยู่ในกลุ่มของอกุศลเป็นเวลาหลายๆนาทีซึ่งแสดงเหตุว่าที่จริงมันก็เกิดดับเรื่อยๆมีความไม่เที่ยงแท้นแน่นอนอยู่ตลอด แม้สังขารระดับสมาธิซึ่งเกิดขึ้นปรุงแต่งจิตโดยการเปลี่ยนพยายามปฏิบัติมาโดยลำดำับเราก็จริงรก็ตั้งอยู่ไม่ได้นานบางทีก็วูบหนึ่งก็หายไปแล้วบางทีอยู่ได้สักระยะหนึ่งสีห้านาทีก็หายไปบางทีก็อยู่ได้นานกว่า น, นั้นหน่อยแต่พอนั่งใหม่ก็เหมือนกับเริ่มกันใหม่ นี่แสดงเห็นว่าสังขารนั้นเป็นของที่เกิดดับเร็วว่าและวิญญาณก็เหมือนกันที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสมก็เกิดดับอยู่เร็วเอาก็จริงๆแล้วส่วนย่อยเนี่ยเราเห็นได้ชัดว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนปั่นคงแต่พอรวมกันจิตก็ไปยึดถือว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราแล้วกลายเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนมัน เป็นลักษณะของการเกิดกิเลสบางอย่างเช่นการมาตัญหากับภาวาตัญหาที่เป็นอาการของสมุ ท, ทัยทยเกิดแห่งทุกข์นั้นถ้าลองตรวจสอจิตให้ลึกๆก็จะเห็นว่าความคิดของเราที่เกี่ยวกับตัวเราและสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยเราจ่เราอยากได้อยากมีอยากเป็น เราไปคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเราจะเป็นอยู่สอาดนานเท่านานเราจะครอบครองมริภคใช้ส้อยสิ่งเหล่านั้นอยู่ตลอดกาลนานๆอะไรทํานองนั้นโดยไม่ได้คิดว่าที่จริงแล้วมันไม่มีสิ่งอย่างนั้นในโลกนี้แต่พระใจส่วนลึกๆมันประกอบด้วยสาสถาทิฏฐิ ลักษณะของสัตตะทิฏฐินั้นจะมีอยู่ภายในใจของคนมากบางน้อยบางแล้วพื้นฐานทางความเชื่อถือของคนส่วนใหญ่บางก็ออกมาแนวสัตตะทิฐิคือความเห็นว่าเที่ยงแท้แน่นอนเช่นกับสอนที่เกี่ยวกับสิ่งสูงสุดทั้งหลายมันก็มักจะเน้นใ้เห็นว่าสิ่งสูงสุดตรง น, นั้นเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเราแยกมาจากสิ่งสูงสุดเพราะงั้นเราก็เที่ยงแท้แน่นอนด้วย ทำให้ใจก็ขวอยคว้าโดยไม่หยุดไม่ดูอายุอานามของตัวเองซึ่งร่วมการผ่าน่อยมามากแล้วจะบริโภคใช้สอยสิ่งเหล่านั้นอยู่ได้สักกี่วันคือใจไม่ค่อยคิดอย่างนั้นและบางทีแม้จะอยู่ในกฎเกณฑ์ที่เรียกว่าเป็นไม่ได้อีกแล้วคือต้องกเกษียณแล้ว แต่ว่าใจที่ประกอบด้วยสัจธรรทิฏฐิยังอยากเป็นอยู่ในสุดก็จะเดือดร้อนเพราะความไม่ได้ดเป็นเกิดอาการซึมเศร้าเกิดอาการหงอยเงาเกิดอาการว้าวเวโดดเดี่ยวเดียวดายนี้ก็เพราะอะไรเพราะว่าไปเกิดมองว่าสิ่งเหล่านั้นเที่ยงแท้แน่นอนเพราะผมมาถึงมองขันมันก็มองแนวนั้นเพราะขันก็คือเรา แล้ข้างนอกก็ที่จริงมันคือขันเหมือนกันเราเป็นขันที่เกี่ยวเนื่องด้วยกั น, นเพราะในปราเกิดมองขันในลักษณะนั้นใจก็ไปยึดติดในความเที่ยงแท้แต่เอาก็จริงแล้วปรากฏว่าเราต้องการในเที่ยงแท้เฉพาะของที่เราชอบเท่านั้นเองของที่เราไม่ชอบต้องการให้เกิดการแปรพันเกิดการแปรปลรีนเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการแตกตั ด, กดกเกิดการสูญหายทําลายไปก็กลับเข้ามาแนวของวิปวัตตนา ก็แสดงว่าส่วนลึกๆของใจมันก็มีความรู้สึกต้องการให้ขาดสูญู่ด้วยองการมันมีการแตกทำลายไปด้วยโดยเฉพาะอยิ่งกับสิ่งที่เราไม่ชอบนั่นก็คืออาการที่สืบเนื่องมาจากอุดเฉย ท, ท, ท่ิคือความเห็นว่าขาดสูญทำให้บุคคลเกิดมองเห็นทั้งสองด้านหมายความว่าส่วนใดที่ชอบก็ต้องการในที่แท้ยั่งยืดแน่นอนไม่แปรผัน ส่วนใดไม่ชอบก็ต้องการให้แตกทาลายเสื่อมหายไปสูญหายไปผมไม่เป็นไปตามที่หวังก็เกิดทุกข์อย่างที่ทรงแสดงไว้ในช่วงสุดท้ายที่ว่าต้องการสิงส่งได้สิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นมาตา ม, ตามต้องการก็เกิดทุกข์หรือเกิดต้องเกี่ยวข้องต้องอยู่ร่วมต้องกินร่วมต้องไปร่วมต้องนอนร่วมกับคนกัตรัต์ที่เราไม่ชอบก็เกิดทุกข์ ลักษณะเหล่านี้ก็คืออาการของอะไรก็คืออาการของสิ่งที่ทรงใช้คำว่าอภิชาและโทมนัสในมารสติปัฏฐานนั่นเองและก็มีพิชาโทมนัสอยู่เรื่อยๆจากอารมณ์ที่มากระทบทางประสาทสัมผัสท่าข้างข้างข้า ง, งนอกบา้าจากอารมณ์ที่เดี่ยวนึกตึกนึกเกิดกำหนดหมายขึ้นไปในใจบ้างเพราะในแง่ของความจริงที่แท้จริง จึงทรงสอนให้มองตามแนวของสามั ญ, ญลักษณะมันเป็นลักษณะที่เหมือนกันเสมอกันของสัตว์และสังขารทั้งหลายบางทีที่เรียกว่าใจลักษณะคือลักษณะทั้งสามประการเป็นความสากลคือครอบคลุมสังขารทั้งหลายเอาไว้ในความ่าสังขารท้อสังขารที่เกิดขึ้นมาจะหยาบจะกลางจะประนีจะไกลจะใกล้จะเร็วจะประนี เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันก็ตามก็ตกอยู่ในเงื่อนไขเหล่านี้นั่นก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในเรานี่เองที่นำมาศึกษากันอีกช่วงหนึ่งศึกษาจากชีวิตก็คือเกิดแก่ตายที่เป็นสภาวะจุกสิ่งไม่มีชีวิตก็คือศึกษาจะเกิดขึ้นดับไป ว่นวาการศึกษาก็ทรงใช้ทั้งสองแนวคือแนวเกิดขึ้นตั้งอยู่ระบไปก็ได้แนวเกิดแก่ตายก็ได้ยัแนวเกิดขึ้นตั้งอยู่ระบไปก็ทรงสอนให้มองโดยแยกขันทั้งห้าออกแไปอุปมาเทียบเคียงเห็นว่ารูปขันนั้นเป็นเหมือนฟองน้ําที่เกิดขึ้นจากการกระทบการไหลและการกระทบของน้ํา กระทบวัตถุสิ่งของบ้านกระทบกันเองบ้างแล้วเกิดเป็นฟองน้ําขึ้นมาฟองน้ํานั้นอาศัยเงื่อนไขปัจจัยที่จะไหลไปได้ระยะหนึ่งแล้วค่อยเสื่อมแล้วก็ดับเราจะเห็นความเกิดดับของฟองน้ําไปเรื่อยๆส่วนดับก็ดับไปส่วนเกิดก็เกิดไปส่วนที่ยังไม่เกิดก็ไหลาตามมาแลักษณะกระแสทั้งหมดชีวิตมันก็เป็นลักษณะกระแสอย่างนั้น สัรสังขารทั้งหลายมันก็ไหลแบบกระแสอย่างนี้นเพื่อให้น้อมนึกเข้ามาตัวเองเห็นว่าแม้ร่างกายเราก็เป็นเช่นนั้นให้่วงพ้นความเป็นเช่นนั้นไปได้ของน้ำที่เกิดขึ้นบางทีก็แตกดับไดยเหตุปัจจัยของตัวเองบางครั้งก็เกิดขึ้นจากการกระทาของบุคคลอื่นมันก็ดับไปได้หรือเปลี่ยนแปลงไปได้ ชีวิตบุคคลมันก็มีลักษณะอย่างนั้นนันการเกิดขึ้นการตั้งอยู่การดับไปคือช่วงตั้งอยู่กับช่วงดับไปนั้นเรากําหนดนิมิตหมายอะไรไม่ได้อตั้งอยู่ในลักษณะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นความเสื่อมความเจริญนั้นก็หากฎเกณฑ์อะไรไม่ค่อยได้เราแน่นอนอะไรไม่ได้แล้วตอนจะดับก็ดับเมื่อไรดับที่ไหนดับอย่างไรดับโดยวิธีใดดับโดยเหตุผลภายในหรือเหตุผลภายนอกมันก็ไม่มีใครจะรู้ความจริงหรอกนะ นี่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสัตว์แต่สังขารตรงนี้จะทรงใช่อยู่มากเพื่อ้มองดูเป็นช่วงๆเป็ น, อนตอนๆเรื่องความเกิดดับเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่กล้ดับไปเอาเข้าไปนะั้นจะมองเฉพาะเกิดดับแล้ว เ, เกิดดับเกิดดับแล้วก็มองถึงจอดับ ในลักษณะการไหลคล้ายๆกับชีวิตเราที่มันเกิดมามันก็ไหลเข้าสู่ความแก่ไปเรื่อยๆไม่มีการย้อนกลับมาเลยมีแต่ว่าแก่เพิ่มขึ้นมากเท่าไรแต่นั้นเองชีวิตก็เหมือนกับกระแสน้ํากระแสน้ําที่จริงยังถูกแสงราิตย์เผาขึ้นไปข้างบนกลับมาตกมาอีกแต่ชีวิตเรานั้นจะไหลเข้าสู่ความแก่ความเจ็บความตายไปเรื่อยๆบางทีทรงอุ ป, ปมาเหมือนการเดินทางบางสิอุปมาเหมือนกระแสน้ําก็แล้วแต่ว่า ในขณะที่ทรงสอนอยู่นั้นมีอุปกรณ์อะไรที่จะเป็นสื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องนี้ได้ก็จะทรงชี้ไปที่สิ่งนั้นถ้าพูดถึงเรื่องกระแสน้ําก็หมายความว่าในขณะนั้นพระพุทธเจ้าประทับนั่งใกล้กระแสน้ําแต่ก็ไม่ได้อาจจะพูดถึงใบไม้อาจจะพูดถึงเปลวเชียนอาจจะพูดถึงควันธูปอาจจะพูดถึงประชีพอะไรก็ได้ พรที่จริงแล้วมันก็อยู่ในกฎเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเดี๋ยวให้ดูตัวเวทนาที่เกิดดับเกิดดับจะในขณะที่เรานั่งกันมาไม่กี่นาทีนี้ที่จริงเวทนามันก็เปลี่ยนแปลงอยู่เลยดูที่ตัวนั่งเอเรียบทนั่งในรูปนั่งอย่างเดียวก็เห็นว่าบางครั้งสุขบางครั้งทุกข์บางครั้งเฉยๆบางครั้งปวดบางครั้งปวดน้อยบางครั้งปวดมากบางครั้งก็ไม่ปวด แล้วก็มีเวทนาปรากฏแล้วก็เกิดดับอยู่นี่ก็เป็นอาการคล้ายๆกับตอำน้ำมีการเกิดขึ้นตังอยู่ดับไปอย่างจี่ยิปเรชั้นเร็วกว่าฟองน้ําแล้วก็เงื่อนไขปัจจัยการดํารงอยู่มันก็น้อยกว่าฟองน้ำยิ่งสัญญาคือความทรงจําความจำหมายจารูปจําเสียงจํากลิ่นจํารสจําเย็นร้อนนอนแข็งเนี่ยยิ่งิยายอะไรไม่ค่อยได้ ถ้าเราตั้เกตบางคราง้งในรับประทานนั้นไม่ใหม่หน่อยเดี๋ยวลืมแล้วพอตามมากินข้าวกับอะไรนี่ลืมหมดแล้วนี่แสดงว่าสัญญามันไม่เชื่งถ้าเกิดดับเร็วแล้วเกิดบาทีไขกุญแจบ้านเรียบร้อยปิดประตูบ้านเรียบร้อยแล้วลงมาชักสงสัยว่าไอ้ปิดประตูบ้านอะไรอย่างเกิดไม่แน่ใจก็ต้องย้อนกลับไป ลักษณะความลืมความเลื่อนเรือนความเผลอเรอเขาเรียกว่าสติสัมโมราความหลงลืมเ ล, เลือนเรือนของสตินี้มันเกิดขึ้นอยู่เรื่อยบางครัง้งอาจจะพูดว่าอายุมากแล้วแต่ที่จริงอายุไม่มากมันก็เกิดแม้แต่เด็กๆ ก, ก็เลื่ลืมหลงลืมเ ล, อลือนแสดงว่าสัญญานั้นเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันเหมือนกับพยับแดด พยับแดดที่แดดร้อนจ้าเราก็มองคล้ายๆจะเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นร่างมาเป็นคลื่นมาอา่แต่ว่าจริงแล้วก็ปรากฏว่าไม่มีอาการเช่นนั้นเดินก็ไปแล้วรูปพยับแดดมันก็อยู่ช่วงช่วงเท่านั้นแหละถ้าที่เรามองเห็นแล้วก็เดินก็ไปก็อยู่ในช่วงเดิมคือเราสัมผัสไม่ได้ มันมองดูสัญญาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่กลายเป็นกลายเป็นชีวิตนี่มันก็เหมือนกับพยับแดดหรือเหมือนกับทางที่เรามองเป็นมันอยู่ที่ริมถนนเวลาแสงแดดมันส่องจัดหรือเวลาฝนตกที่จริงอาการเหล่านั้นไม่ได้มีอยู่อย่างจริงๆ เพียงแต่ว่าช่วงห่างขนาดนั้นแล้วก็มีแสงแดดมุมหมักเหยี่างนั้นแล้วก็จะเหตุภาพอย่างนั้นขึ้นมาเราขับรถไปเท่าไหร่มันก็ไม่เจอสิ่งเหล่านั้นมันก็จะทิ้งช่วงมันจะรักษาช่วงอยู่เท่าเดิมประการต่อไปก็คือสังขารคำว่ า, าสังขารในขันห่านั้นหมายถึงเจตสิกธรรมพูดง่ายๆว่ า, า, ากาุศลธรรมอกุศลธรรมอภัยกถาธรรม ที่เกิดขึ้นปรุงจิตทําจิตให้แปรผันไปด้วยประการต่างๆตามชนิดตามประเภทของกุศลธรรมเหล่านั้นหรืออกุศลธรรมเหี่ยนั้นเรื่องปัากตะตัธรรมเหล่ยวนั้นท่านอุปมาให้มองเหมือน ก, กากกล้วยเมื่อกอกกล้วยกอกล้วยนั้นพอเราลอกกาบออกไปเรื่อยๆความเป็นกอกล้วยมันก็หมดไปเีื่อย คำว่าสังขารในที่นี้พระอุปมาเกาะกล้วยเราจะเห็นสังขารที่เลยเถอะเลยไปจนถึงกับสังขารที่มีใจครองหรือไม่มีใจครองโดยรวแล้วแต่เป็นการเกาะกุมกันของผสมกันของสิ่งต่างๆสรุปแล้วก็เป็นดินน้าลมไฟอากาศแล้วก็วิญญาณมากเกาะกลุมมาผสมกันในที่สุด พอย่อยไปแล้วมันก็หาความเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของไม่ได้ที่ทรงสอนให้มองว่านิสสตโตนิชีโวะสุญโยสามคำนะท่านอาจนิสสตโตคือไม่ใช่สัตว์นิชีโวคือไม่ใช่ชีวะจริงๆหมายความเป็นชีวะจริงๆได้ก็องค์ประกอบทั้งหลายนั้นจะต้องไม่ดับไปแต่ถ้าองค์ประกอบเหล่านั้นเกิดแตกทําลายไปโดยเฉพาะองค์ประกอบใหญ่ความเป็นชีวะมันก็หมด ควาเป็นชีวิตมันก็หมดยาที่ทรงแสดงไว้ในที่เราใช้เป็นคาถาบาังสกุลเป็นในตอนหลังเป็นคาถาบังสกุลเป็นอะที่จริงก็เป็นธรรมานุสติ mm hmm. คือเตือนสติคนให้มองถึงชีวิต mm hmm. ใช้คํามาลีว่าอจิรังวัตยังกายโยร่างกายนี้ไม่นานหนอรอกปัวีณติเศสสติจะล้มลงเหนือแผ่นดิน สุดโอเปตวิญญาโนวิญญาณออกไปจากร่างแล้วรัฐังวะกะลิงกะลังก็เหมือนกระท่อ n ไม้เปียาศาระแก่นสารอะไรไม่ได้จะใหญ่โตมาอย่างไงก็ตามมาถึงจุดนั้นแล้วใครจะทำไงก็ได้ใครจะหักแข้งหักขาใครจะเหยียบหัวใครจะข้ามไปทำไงก็ได้ก็ก็มีค่า้ากะท่อนไม้นั้นแสดงให้เห็นถึงว่า การเกาะกลุ่มของสัตว์และสังขารทั้งหลายขอ้อเหปัจจัยสําคัญบางอย่างมันหายไปแต่นั่นเองในส่วนอื่นยังจะเหลืออยู่ในขณะนั้นก็ตามแต่ว่ามันก็หมดสถานะไปคือหมดความเป็นคนเป็นสัตว์ไปเรียกว่ไม่มีชีวะไม่มีชีวะก็ต่อไปเป็นในคือสุนโยคือว่างว่างจากตัวตนจริงๆว่างจากสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยตนจริงๆ เติมการศึกษาในกลุ่มของอนัตตาหรือความเป็นอนัตตาห่งครับเพราะมาถึงวิญญาณยิ่งชัดเจนมากยิ่งขึน้นท่านบอกว่าเหมือนกับภาพมายาคล้ายๆมันจะจริงเมือนการแสดงมายาโกนอะไรต่างๆดูแล้วคล้ายๆจะจริงแต่ก็จริงมันไม่จริงเพราะววิญญาณต่างๆที่เรารับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรา ว่าความรู้ทางตาความรู้ทางหูความรู้ทางจมูกความรู้ทางลิ้นความรู้ทางกายหรือความรู้ทางใจก็ตางมันมีลักษณะเป็นมายาดูแล้วคล้ายๆจะจริงอย่างนั้นแต่เอาก็จริงมันก็ไม่จริงอย่างนั้นเพราะความสวยก็ดีความไปรัก็ดีความหอมก็ดีความรอดก็ดีความน่าจับต้องก็ดีไม่มีอยู่จริงโดยธรรมชาติธรรมดา แต่ว่าเป็นการปรุงคิดคิดปรุงของจิตที่มีการกำหนดหมายและมีการสะสมไว้ในจิตสันดานของบุคคลตอนองคล้ายๆอาหารอร่อยให้ลองสังเกตว่าอาหารอร่อยอาหารอร่อ ย, อาารอรอยสมหรับคนหนึ่งคนบางคนจะไม่กล้ารับประทานคนบางคนจะมองด้วยความขยะนขยงบางคนจะมองด้วยความเฉยๆบางคนจะมองด้วยความอยาก เรแสดงว่าแสดงว่าความอร่อยนั้นไม่มีอยู่จริงมันไม่เป็นสากลมีอยู่ในฐานะจิตที่กําหนดจิตที่ปรุงคิดจิ่คิดปรุงเอาเองจึงมีลักษณะเหมือนกับมายานนั้ที่กล่าวไปาการมองในแนวนี้ก็คือการมองตามยาถาภูตะคือมันเป็นจริงอย่างไงก็มองอย่างนั้นเพื่ออะไรเพื่ออย่างน้อยที่สุดก็จะ ช่วยใจิตใจบันเทาตันหาหรือความรู้สึกว่าเป็นของเราของเราลงไปบ้างมานับว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ลงไปบ้างหรือว่าเป็นตัวเป็นตนของเราลงไปบ้างตอนนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสุข